หลักวิชาการทุกวันนี้เท่าทรวงไายปีเก่าตอนหลับปีใหม่เป็เรายังไม่เห็นทรงไทยปีเก่าทีนี้เรามาพบ ก, กันว่าเราจะเดินทางเส้นใหม่ลองดูนี่ว่าการเดินทางที่เราเดินทางมาแล้วนั้นมันเป็นขุขระเรื่อมันบม่เรียบร้อยบัดนี้เราพยายามมาเดินทางเส้นใหม่ใม่ ทางใหม่แต่ว่าทางเดิมแต่มันเป็นวิถีลัดๆทางก็ไม่ใกล้ไม่ไกลไปได้ทุกคนดังนั้นวันนี้จึงมาเป็นการเปิดโอกาสได้เปิดอบรมเปิดทางใหม่ว่าานนี้เปิดทางให้คนเดินทางใหม่เริ่มแรกที่สุกจะได้ในมูลเพื่อนจานทองเพราะเป็นสมภารเป็นจเจ้าวัดเป็นผู้ลิเริ่มงานนี้ขึ้นมาพร้อมด้วยผัดส่งวัดสนามใน และญาติโยมผู้สนใจก็มาสลับตับฝังและลงมือปฏิบัติตามด้วยดังนั้นที่พูดสั้นๆวันนี้ก็อยากนิมนต์พระจันทร์ทองได้มีโอกาสยังไนจะทำนิมนต์นะครับขอโอกาสจากหลวงพ่อใหญ่แล้วก็เพื่อนผิ้สู่สามเณรจะอยู่ในวัดของพวกเราแล้วก็ ขอเจริญพรยัดยมผู้ที่จะมาร่วมปฏิบัติรมตั้งแต่วันที่30ไปจนถึงวันที่4มกราคมตามหมายกาหนดการแต่เรื่องการจัดงานและก็พวกเราก็คงจะได้ไปร่วม ง, งาน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 ไอ้ส่วนใหญ่กับผมเราจมาก็คงเข้าใจว่าญาติยโยมทุกคนก็คงได้ศึกษากันพอสมควรในตามหลักวิชาการทางภาคทฤษฎีก็ได้ยินได้ฟังกันมากเพราะฉะนั้นการเปิดการอบรมครั้งนี้ก็อยากจะให้พวกเรานี่มาทดลองในการปฏิบัติในการศึกษาตัวเองนี้ให้มันมีเวลา มากแต่การได้ยินได้ฟังนั่นก็ดีแต่จริงๆแล้วการได้ยินได้ฟังนั่นมันยังสู้การกระทำได้แต่การกระทำนี่สําคัญที่สุดมีแต่พูดแล้วไม่มีการกระทำประโยชน์มันก็อาจจะเกิดนองกันแต่ถ้าไม่มีการพูดไม่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้ามีการกระทำนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเราจะพิสูจน์ได้ การกระทำแต่การได้ยินและฟังมันที่สูจน์ได้แอ่สิ่งที่ได้ยินมากได้ฟังมากอันนี้มันยังี่สูจน์ได้ที่มันจะที่สูจนได้จริงๆคือการกระทําเอาตัวการกระทําเนี่ยมันจะที่สูดได้และมันก็จะกล้าได้จริงๆอพิสูจน์ได้และกล้าได้จริงๆท้าทายได้จริงๆว่าธรรมะมันเป็นยังไงแล้วของจริงจริงๆมันเป็นยังไงมันเกิดจากการฟังหรือมันเกิดจากการกระทําของเราเอง หรือมนันเกิดจากการสัมผัสหรือว่าเกิดจากการรับรู้มาจากภาวะภายในจริงๆอันนี้มีนคนละอย่างนะเพราะฉะนั้นจึนอยากจะให้ญาติโยมผู้ที่มาอบรมนี้ได้ปฏิบัติกันมากแต่การปฏิบัติอันนี้อาจมากล้าจริงๆอาจารมาไม่ได้เป็นนักพูดไม่ได้เป็นนักแสดงนักบรรยายแต่ว่าพูดถึงการปฏิบัติจริงๆเนีนอ่อาจารมากล้าจริงๆ วิธีนี้นะวิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยวิธีทงความรู้สึกตัวพอจะมาได้สัมผัสมาเรื่อได้รับรู้มาแต่วิธีอื่นนิยามอื่นธรรมาก็ทามาเหมือนกันมันยังไม่เข้าใจมันยังทำให้ตัวเองมองไม่เห็นอะพอดีมาทาวิธีนี้มันมันกล้าได้เลยเพราะเป็นวิธีที่รัดๆเป็นวิธีที่สั้นๆ ถ้าใครตั้งใจจริงปฏิบัติจริงเห็นของจริงจริงๆเห็นในระยะ ส, สั้นๆ ก, นะกันได้ใกล้ๆก็ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติครั้งนี้จะได้แยกกันอ่าโ ย, โอยมอุบาสกกับพระจะแยกไปอีกส่วนหนึ่งส่วนโยมอุบาสิกาหรือผู้หญิงนีก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งเวลาทานอาหารเราจะไม่ได้ทานร่วมกันแต่ทานวัดก็คงจะร่วมกันแต่เวลาทานอาหารเราจะแยกไปฝั่งนี้ผู้หญิงฝั่งนี้แผู้ชายอยู่ฝั่งนี้ไม่อยากจะให้มัน มันดีรวมกันเพราะคนมันมากเวลาจะไม่ค อ, อเวลาตา่งอาหารมันอาจจะชาไปไม่วมาไดยจิ้มกินยาไปนานก็วเคยอยากจะแยกทุกครั้งก็เคยจัดกันมาเคยฟังการบรรยายเวลาทานอาหารก็มีครูบาอ า, า, าจารย์บรรยายวันนี้มันมาจากที่โน่นที่นี่แต่ตอนนี้คงจะไม่มี แต่ถ้าหลังจากฉันท้าเราแยกกันไปแล้วอาจจะมีครูบาอาจารย์มีพระเป็นทีเลี่ยงพูดทํามาให้ฟังอบรมในตอนนั้นเลยอนนะอาจจะมีบางกรณีมีกรณีพิเศษแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ถ้าไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็อาจจะแยกกันอยู่ให้พระผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์อบรมเลยหรืวหลังจากฉันทานอาหารเสร็จก็เป็นการพูดให้คอนกันเฉดเวตัวจากนั้นก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติกันเลย แล้วก็มีภูมิใาจการที่จะพาปฏิบัติหรือว่านําปฏิบัตินี้ไปเลยในวิธีการปฏิบัติสําหรับคนใหม่จริงๆคนที่ยังไม่รู้วิธีการปฏิบัติยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยทํานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าคนที่เคยผ่านมาเคยรู้จักวิธีมาเคยปฏิบัติมาบ้างแล้วเข้าใจบ้างแล้วเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าจะแยกกันนี้ก็ได้อันนี้พูดถึงการ การปฏิบัติเป็นแต่วิธีการปฏิบัติอันนี้จะมายืนยันได้แล้วก็พิสูจน์ได้ในตัวเองแถ้าก็ยืนยันได้พิสูจน์ได้ในตัวเองไ ม, ไม่ได้ยืนยันคนอื่นไม่ได้กล้าคนอื่นกล้าจะมาคนเดียวยืนยันคนเดียวแต่คนอื่นนั้นก็มีเหมือนกั น, นแต่ถ้าเราจะปฏิบัติกริงทำจริงมันต้องครบของจริงจริงจริงเต็นของกริงจริงจริงเพราะทุกคนมันมีจะบวชก็มีไม่บวชก็มีจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีใครใครก็มี แต่เป็นใครก็ได้อะไรก็ได้อแต่ถ้าเราจะเอากจริงแต่ถ้าเราเอาไม่กริงก็นั่ไม่จริงเพราะจะนั่นอา ม, มาจึงกล้าแต่วิธีการดันนี้อามาจะยืนยันเลยจะรักษาอุดมการดันนี้อถึงนะมาพูดไม่ได้พูดไม่จริงนี้อนาต ม, มาบอก ว, วิธีการปฏิบัติวิธีแนะอาตมากล้าเลยเแน่ได้อบอกได้เนยได้อจะรักษาอุดมการดันนี้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงจะมีอย่างอื่น มาอย่านี้ก็ไม่ไมีการหวั่นไหวแต่ถ้าไทายคนเดียวก็จะเอาแต่วิธีการนี้ใครจะมีวิธีอื่นอย่างอื่นมาก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่กลัวว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีที่ทำให้คนนี้ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราจะมานี่ยยืนยันในร้อยเปอร์เ็นต์ ว่าเป็นวิธีที่มันทําให้คนนี้เปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยหนักเป็นเบาไปเลยไอ้ไข้ของเราหนักร้อยกิโลเมื่อเรามาทําลมรู้สึกตัวไปเจริญสติไปทำกลมรู้สึกตัวไปถ้ามันเข้าใจแล้วมันจะโยนทิ้งไปเลยนะหรือว่ามันจะสลายไปเลยอย่างนี้ก็ได้ไอ้ายๆกั่มันจะหลุดไปอย่างแล้วกินกิวิธีนี้มันจะจางไปนะมันจะจางไปมันจะหมดไปมันจะทำลายไปค่อยๆหมดฤทธิ์ไปเรื่อยๆหรือจนไปถึงที่สุดมาเลยอย่างนี้ก็ได้ แต่ถ้าใครรู้แนวทางวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันจะเข้าไปเลยมันจะเข้ากัใคร้ๆแบบมันจะเข้ากระแสอย่างี้มันจะไปเรื่องมันเลยไป เ, ยเรื่องของมันปเป็นอย่นี้เพาะฉ้นธรรมาจริงกล้าจริงอะไรอันนี้พูดถึงเรื่องวิธีการปฏิบัติธรรมาก็จะพูดไปแค่นี้ก่อนแล้วต่อไปก็อะไรราฐนาลงข้อให้โอวาทหรให้วิธีการปฏิบัติแก่พวกเราเปืนวิธีการเสียเวลาอันนี้ก็ขอราฐนาลงข้อ น, นิมนตนะ ถ้าหากพูจริงแล้วเราต้องพูดอย่างสันเพราะว่ากา ร, รยืมเอาคํำพูดของคนอื่นและสำแนียงคนอื่นนั้นมันปวดหัวมันได้ตั้งแนวความคิดไว้ถ้าเป็นภาษาบ้านตัวเองและตำแนียงตัวเองจริงๆแล้วไม่ต้องถามใครไม่ต้องหวั่นไหวเดี๋ยวนี้การศึกษาเล่าเรียนจะเป็นทางทฤษฎีก่อนนะพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียแล้วหลักสูตรตามหลักวิชาการทางโลก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 ถ้าเป็นทาสของคนนั่นเป็นทาสของคนนี้ไม่ใช่เป็นคนไทยไม่ใช่เป็นอิสระคนไทยเนี่ยหมายถึงว่าเป็นทินดินแดนของคนไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของฝ่าจักรเทอมันและจิตใจของคนไทยกอเช่นเดียวกันไม่ยอมให้กิเลสที่สกรปรกนั้นปกคุมได้จนมเป็นคนไทยจนมเป็นอิสระคําว่าอิสระในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ายจะทําอะไรทําไปตามชอบใจ อยากพูดอัไนรนพูดไปตามชอบใจอ น, นันต์โมเมนต์นนนคำว่าตามใจข่มผิดตามใจกิเลสคาว่าอิสระนี่หมายถึงผู้มีระเบียบวินัยอย่างที่พระพุทธเจ้าเราเคยได้ยินพระพุทธเจ้าเป็นอิสระทแท้ๆจิตใจเข้าถึงข่มพ้นไปจากข่มเป็นทาตของข่มลงผิดจึงเป็นอิสระถ้าหากว่าข่มลงผิดยังครอบงำอยู่โดเป็นอิสระันน้น เมื่อเน่ก็เป็นการเปิดอบรมที่ได้บอกเลยว่าเราต้องเดินเส้นทางไม่ลองดูแต่ทางเก้าก็ดีแล้วที่เราถลิเดินมาทางไม่เป็นหลักวิชาการสั้นๆทางสั้นๆและกระทางที่เรียบเตียนดีทางเก้านั่นคือทางโคง้งยาวไกลบางทีอาจจะไม่เรียบร้อยก็ได้ทางอาจจะขู่ขะัะเพราะว่าเป็นเรียนรลอกแบบมาจากในประเทศอินเดีย คนไทยจะแปลพระจ่าเอเดียจะคล้องตัวขนาดไหนก็ยังไม่ถูกเพราะว่าจำนวนเสียงจะเป็นอักษรต่ำอักษรสูงนะอักษรกลางหลวพอ่อโบกจักและตัวหนังสือจะเคลี่ยนกันไปรถทันทีแม้สมมุติหลวงพ่อเองคนเดียวพูดอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันญานโยนจะตีความหมายคํำพูดของหลวงพอ่อหลวงพ่อพูดอยางนั้นเป็นเสียงน่าอาจจะเพี้ยนไปจากคําพูดหลวงพ่อก็ได้เพราะหลวงพ่อพูดด้วยความจริงใจนะ วางแผ่นไว้เรื่องวิธีการเหล่านี้หลวงพ่อกับเสืียมั่นในตัหลวงพ่อเองญาณทีเพิ็นกานทองเสียมั่นในการกระทําของท่านเองเดังนั้นท่านก็บอกไว้เมื่อกี้นี่ว่าญาติโยมอาจจะฟังจําได้บางคนอาจจะจําไม่ได้พราสทรงองค์เจ้ากนเช่นเดียวกันบางคนอาจจะจําได้บางคนอาจจะ จ, จําไม่ได้เท่เราไปเปิดอบรม ตามอำเภอและจังหวัดต่างๆหรือหมู่บ้านตำบลต่างๆถ้าส่งองค์เจ้าก็ไปอไปประสบการณ์นะท่ไปดูแผนการออกมาก็ทาเหมือนเดิมแสดงว่าไปดูด้วยตาซื่อไปประสบการณ์ด้วยตาซื่อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากเราไปดูแผนการไปประสบการณ์ซึ่งไดไร่บุกพอก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างที่พือนจานท์ทองวาเมื่อกี้นี่ว่า กำลับวัตนำในการเปิดอบรมให้ญาติโยมและเพื่อ น, น, นาาทิ่สุสมานเณรเข้าปฏิสูตรครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นบางบทบางตอนท่านก็จะทําตามอุดมการของท่านก็ต้องเป็นอย่างไงบัด น, นี้พวกเราเป็นผู้มาปฏิบัติก็ต้องคอ ย, คอ ย, คอยฟังดูจะมีเม็ดหนักเบาเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นการิทองนะตัวอาตม า, าไม่ใช่เป็นการทองนี่คนเละคนกันญาติโยมก็เช่นเดียวกันเราต้องเอาขบพิสูตร พิสูดได้จริงแล้วก็ได้ขวมญจริงมาพูดอันนั้นเออมีขวัญกล้าหานแท้บางคนกล้าระบาดแล้วก็มีนะพานเนี่ยมันหลวงพ่อมีพากล้าระบานสําเร็จบุดยเีถ้าเป็นเหล็กเม็ดเล็กเดียวจริงๆแล้วตีจุดเสี่ยมมีพาเป็นเหล็กแข็งบอบาดและระบบเอ๊สั่นได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นเหล็กลืมอัแเนี้ไม่ใช่จุดกล้าขนาดใหญ่ ใ้เป็นเหล็กดีๆกับปิดสังขยำอ่อนอยู่งซันเอตบานบม่มีถ้าเป็นเล็กก้าอัเนี่ยเอบม่มีมีตะบานถ้าคำาบบ้านกับฟันได้ดีมันเป็นอย่างนางนั้นการฟังญาติโย ม, มก็เช่นเดียวกันถ้าส่งองค์เจา้าก็เช่นเดียวกันฟังให้เป็นและก็ น, นําไปปฏิบัติให้ถูกต้องการแก้ไขตามเคลื่อนไหวเมื่อกี้นี่ญาติโย ม, มอาจจะไม่เข้าใจ หรือพระสงฆ์องค์เจ้าอาจจะไม่เข้าใจตามอุดมการ์ของท่านการสั่นจะแยกสั่นผู้หญิงสั่นผ่อนหนึ่งหมดหนึ่งพระกับโยผู้สายจะสั่นหมดหนึ่งาสั่นทันว่าในขณะช่วงที่สั่นจะมีพระเป็นผู้นำสั่นผู้หญิงทางสายโยผู้สายก็จะเป็นพระผู้นำสั่นเมื่อสั่นเสร็จแล้วก็จะมีพระที่เลี้ยงที่ไปสั่นกับผู้หญิงนะ จะให้โอวาาและแนะนำในระยะช่วงนั้นใกล้ผ้าส่งองค์เจ้าผู้สายก็จะให้โอวาาหรือแนะนําในช่วงนั้นนอกจากนั้นก็จะไม่มีไว้สันตามประตาเข้าใจตามตามาตามการสังและผู้อื่นอาจจะฟังไปฟางกันเมื่อการฟังตีคมใหม่อาจจะผิดกันในน้อยไปเลยบัดนี้ตอนเวลาทำรัดนั้นท่านว่าอาจจะมาทําน่วมกันกันได้หรือบางทีอาจจะไม่ทำน่วมกันก็ได้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ และถ้าหากมีครูบาอาจารย์ผู้เสียส่ยวชารจริงๆอย่างนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงการบรรยายแต่ถ้าขาท่าธรรมมันมันตือเรื่องหลังยังพรทธรรมมาเถื่อเถือนมันเป็นอนาคตไม่รู้ยังพรทธรมาเถือนแต่ในปัจจุบันนี้อุหลการของท่านท่านจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปด้วยกลุ่มเห็นของท่านและคณะศงวสส น, นัณหนที่เขาจะตกลงกันเอาไว้แต่ตัวหลวงพ่อแทะ<อๆ>ยื้อไปเรื่อยๆไปแล้วเป็นคนสลาลยไป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 ให้มาเคล่อนไหวโดยยึใดถือใให้มีความรู้สึกตัวทางทิศตะวีเอาไว้ก่อนความหมายคงจะเป็นอย่างนั้นตามตามฟังแต่ไม่เข้าใจความหมายเราต่ว่าอุดมการอาตมาฟังตามอุดมการของอาตมาฟังคําพูดนี่แล้วจะเการเปลี่ยนแปลงไปบางคนเคยพาาัฒนาพุทโธสัมมาอรหังของยุคนับหนึ่งสองสามหรืออาณาปานสตินั้นอาตมาบ่ได้ยินคงจะดพักอนันก่อน องจะให้ถทำวิธีนี้ตามความเข้าใจของอาตมานะแต่คนอื่นอาจจะได้ยินอย่างอื่นกับบุรู้จักเพราะเรานั่งอยู่ด้วยกันเนื้ความคิดคนก็เหมือนกันเป็นะย่างว่านาน า, นาคิตต่างความคิดคนก็เหมือนกันในประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในประเทศอินเดียแล้วคนอินเดียก็ถือศาสนาอินเดียก็หลายคนที่อาตมาบวชเป็นเจ้าหัวนุ่มหกเดือนอุปส่าไว้ฝังพระครูวิชิตธรรมจารย์ นี่มาบวดคนนี้เป็นดวงตาเนี่กจ้ยายศคณะเผื่อเสียงขานาพระภูวิศิตธรรมจารย์คนเกา่าพอเจ้าของได้ให้เพื่อนเป็นองค์ตาให้แต่เมื่อเป็นพระนุ่มก็ต้องบวดกับเพือนมาบวดเป็นดวงตาที่ก็ไปบวดกับเพื่อนอีกซึมเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าได้ถือได้เคารพนับถือคนไว้ท่านว่าในประเทศอินเดียนั้นมีหลายลทัทธิมีหลายวิกายมีหลายอาจารย์การสอนหลักทฤษฎีไม่เหมือนกัน เนี่ยฟังไว้มันดีฉะนั้นเขาที่ไปสวดจับเอาอันใดอันหนึ่งมาบางที อ, อ, อจาจจะเป็นคสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้บางทีอาจจะเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะมันปนกันในระอินเดียมีอยเตอาจารย์ลอยแตีละท่สอบบ่เหมือนกันจานวนลอยตดคนนั้นหรือว่าเป็นลอยเก้ากับพระพุเจ้ากบ บ, กบายถึงลอยเตดละทิลอยแตดอาจารย์ลอยเตดคนน จำนวนร้อยแปดคนถ้าเป็นร้อยแปดคนกับพระพุทธเจ้าก็เป็นร้อยแปดคนถ้ า, าเป็นร้อยแปดคนแก้จมพ่วละที่อื่นนั้นก็เป็นร้อยเก้าของพระพุทธเจ้าซ้อนไม่เหมือนกันแล้วคำพูดนั้นอาจจะพนกันอยู่หนนะั้นถ้าหากจํานวนร้อยแปดคนนั้นกลมเห็นข้าเจ้าว่ า, าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีความรู้หลักวิชาการปฏิบัติแก้ปัญหาตัวเองได้จริงร้อยแปดคนเขาต้องมาปฏิบัติตามแบบพระพุทธเจ้ า, าพระพุทธเจ้าก็ คิดเช่นเดียวกันท้าว่าจํานวนร้อยแตดคนนั้นเป็นหลักวิชาการจะแก้ปัญหาตัวเองได้ท่านเจก็ต้องป้อยหลักวิชาการของท่านเขาต้องไปศึกษากับร้อยแปดคนนั้นได้ตามความหมายของอาตมาฟังจันทร์องวา น, นี่นะเก่ยวับตัวเองคิดเอาเองหรอกอัเ น, นี้เนแะต่ยว่าคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้จักดังนั้นเรามานี่ก็เช่นเดียวกันดังนั้นเพีงเพราะว่าแยาเสื่อทันทีและอย่าปฏิเสธทันทีการโพูดว่าสาคัญ อาตมาก็จะเข้าข้างนี้น้อยหนึ่งการพูดว่าสำคัญยังไหนเพราะว่าเรียนจบพระไปรปดฎกซึ่งว่าพระอะไรพระโพ ธ, ธิละบาลเต้าอาจารย์คำว่าปรสสาะนั่นคนว่าพระตุศักดิ์โพ ธ, ธิละเรียนในประเทศอินเดียผูนน ห, นหนู่มพระบวเห็ดหนอกโบได้บบได้ไปเห็นยุคนั้นเรียนจบพระไปรปิฎกแตกสาน ได้ยินรอบพระตุศาโพธิละมาแล้วคนกลัวเลยยานไม่สามารถที่จะโต้ตอบได้เพราะว่าแตกศาสตร์ในพระไตรปดฎกไปเทศใจคนกลัวทั้งนั้นคันเื่อว่าท่านพูดผิดก็ต้องฟังพูดถูกก็ต้องฟังฟังไปโลดอั น, นี้บวกคอยถูกต้องบัล น, นี้บรุรีพระเลยต่อต้านได้กับคดเทศว่าเราคิดไปต่อโต้วาเทกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าสมณะโหดมนี่แหละใส่ ใจดีพระพุทธเจ้าท่านมีวันไหวต่อใครทั้งหมดไปแต่ไป ก, กล้กาพอได้กล้ากําลังกล้าอยวยเนะี่ยมาแล้วลึกกำพีเปล่าสันพระพุทธเจ้ายัดให้เลยทันทีคําว่ญญางัดก็หมายถึงว่าให้แล้วมาแล้วลึกกำพีเปล่าวสันพระสุสชาโพธิละกันเลยเอ๊ะทาไงเราไม่ได้พูดอะไรจะว่ากำพีเปล่าให้เรล่าน้อกัก็เลยไม่ได้ถามก็เลยมีการสักใสไ่ไรใไปถามกับไปเรื่องอื่น พอเวได้เวลาแล้วเขจะกลับบ้านนะสป็นว่ากรูบาอาจารย้อยฟังพอด้กล้าบลงที่ลาแล้วใบ น, นี้ก็อ้าวได้เวลาจะกลับบ้านแล้วหรือใบาลานเปล่าไปว่าอีลาบันนี้คุเลือกับว่ากำพีเป่าครันนออ้นี้ซองก็ใบลานเปล่าอีสิ่งละอ้าวแม้เหล่านีเป่าทั้งหมดเลยไม่มีเต็เมวั น, นั้นอันนี้จะให้ญาติโยมฟังเอาไว้ทำไมมาพูดว่ากำพีเป่าทําไมพูดว่าใบาลานเปล่าเพราะมันไมู่่ตัวหนังสือใบาลานเปล่าหนึ่งกำพีเปล่าหนึ่งกำพีบ่มี มิยังมีแต่คำถามซื่อๆบ่มีตัวหนังสือบุญลักอสวด อ, อะไรข้อมหมายของอามารย์มาพระพิจิตรวิวจังสรรการเรียนทรงจํามาจากคําพูดของคนอื่นอาจจะถูกก็ได้ผิดก็ได้เพราะในตัวไม่มีใช่าหมยาอวดดีนัแล้วกับคนมีดีเอามาวิาจืมมันหนักผิดธันคนอวดดีพูดเชื้อคนหนึ่งบ่งมีดีในตัวคนมีดีเอามาพูดเอาเขาต้องกล้ามีความสามารถจึงเป็นเด็กเหนียว ถ้าคนอวดดีพูดบุญดีดีในตัวเขาก็เป็นเหล็กแข็งเตาบานซันไม่ได้ดีถ้าคนไม่กล้าพูดบะเนี่ยและยังไม่กล้าสอนก็เป็นเหล็กเต้ <c oughs> เข้าใจว่าเป็นเด็กบุดีใส่งานบุนได้เป็นอย่างนั้นที่อาจารมาฟังอยู่ในบ้านนี้พระโอรสองเกละกะ็ดกลัดบัดสอนลูกศิษย์ได้เป็นพระราหารันมาเป็นจํานวนลอยลอยพันพัน เป็นผ้าอรหันต์ก็มีเป็นผ้าโซดาผ้าสกิทาคาผ้ะนาคาและไต้ตามนิสัยของคนสั่งแตัวจ้าเองก็เลยไม่รู้อะไรแตจําเพียงแต่คาพูดคนอื่นมาพูดนี้เขาบอกคนอวนดีพูดบุญเป็นคนดีมีพูดบุญไม่ดีดีในตัวแล้วพระลูกศิษย์ลูกหาสังก็เลยได้เป็นพระเรียนบุคคลจําเป็นต้องมาขอเรียนกรรมฐานจากลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ไม่ไม่กล้าสอนเพราะว่า ในฐานะเป็นอาจารย์แล้วถามลูกศิษย์ไปทั้งหมดไปพบกับเนยน้อยสุดท้ายแล้วเนยน้อยองค์สุดท้ายก็เลยเสอนให้ถ้ า, าอาจารย์ที่เสื้อฟั่งผมนั้นผมจะสอนถ้าผมบอกนยังนาอาจารย์ต้องปฏิบัตินําทุกอย่างเออถา้าเนยีสอนอาจารย์อาจารย์าจะเห็นําทุกอย่างถ้าหากว่าเนมีความสามารถสอน ผมมีความสามารถที่สอนใน้ภาคว่าอาจารย์ปฏิบัติตามคําพูดของผมว่าสันพิจได้นรือย้อเงก็เลยบอกอาจารย์ให้ห่มจีวรลุงตกลงเรียบร้อยแล้วได้ตั้งตัวให้เตือนยศสมมติเอาหนะ น, น้านี่แต่จะมาไม่ได้ไปเห็นแต่งตัวให้เตือนยศไปแต่งตัวเตืนยศกับไมายถึงว่าห่มจีวรแล้วสังขาใส่ไปด้วยครับมัด อ, อกนึกยังนะครับโบเห็น ใจหานเนี่ยอ่ะเน้นซองกรรมฐานเลยลืมวัดหรือตัวรับนันอาจจะมีของน้ําคือยังวัฒสนามไหนเขานี่ก็ได้พอดีไปก็อ้าวอาจารย์ลงไปน้ำท่านเลยลงไปงำหนาไม่อยากลงเนี่ยขุนลงน้ําลงไปลงไปน้าก็จุกหัวเข้าขึ้นมากะพาสิเปียกก็ต้องเฮือขึ้นมาบบเปียกเปียกเออเปียกกันให้เฮืออาจจะมาวัาหลวงว่าโบเปียกวันน่ะเปียกก็บโบ้เือขึ้นมาลงไป ลงไปขึ้นมาน้ำเปียกพาขึ้นมาแล้วพอแล้วบันีเนี่ยไ่อยากลงได้แบบนี้ยังบม่พอลงไปเนี่ลงไปน้าขึ้นมาเพียงกางขาเมื่อเปียกขึ้นมันเย็นได้มันหนาวพอแล้ววัเนี้เนี่ยยังบ่พอลงใต้เจนพอใจของเนรลงไปลงไปเพอก็บบพอเจนผ้าเปียกเมืแล้วก็พอใจกับที่ผู้ที่ที่เป็นผู้สอนนะอาจารย์กขว่าได้ล้วนเนรเขว่าได้พอใจแล้วก็เออกลับคืนได้อาจารย์นะน่านมัน คืมักับเปียกหมดแล้วเหมนีนทึานตัวกันหนาวอะไรเมอ้าเน้นสองกรรมฐานเลยอาจีพสอนพูท่านก็ได้หรือว่าจีบเลสอนพูท่านก็ได้เพราะอาจารย์เป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วบางทีเน้อาจีพคิดอ้ยหนาวอาจารย์เนี่ยจะหนาวมากก็ไปขัดธาตุกันครับนั่งค่อยมาสอนกันอาชีวะนั่นก็ได้ด้วยหนาวก็ทรมาก็ได้คนเอบเปียกได้หน่กันเลยอาจารย์นะครับสมบติจะมีโพลจูปุกบ้านหลวงพ่อ เรียกลจุ่มโผลก็ได้จุ่มพวกก็ได้มีจุ่มโผลตัวนึ่งมีจุ่มนึ่งกับจุ่มพวกจุ่มนึ่งเข้าใจไหจุ่มโผลจุ่มพวกเข้าใจไหมแน่เข้าใจนะอ๋อจุ่มพผลมันเป็นโนนเป็นเป็นโนนนะเป็นพูเป็นเป็นจุ่มพวกนะจุ่มพวกจอมพวกยืดตามพวกนานะยืดตามดินดินรับด้ามันเป็นโนนขึ้นนะเป็นเป็นโนนแล้วเขเอ้ยจุ่มโผลจุ่มพวกบ้านหลวงพ่เข้าใจแล้วนะ อ่พอทีอ้เข้าใจประเด็กมีจุลโพลจุมนึงแล้วก็มีรูอยู่ห้ารูก็มีรูอยู่หกรูแล้วก็มีเหี้ยอยู่ไหนตัวหนึ่งมีเหี้ยตัวเดียวสั่งแล้วจะจับเหี้ยโดยวิธาอาาีอาจารย์นั่นเอะอาจารย์เป็นผู้เรียนขมรููมากแล้วก็เกิดปัญญาวไว้อะเนี้ยนะสิางงา่ายกว่าสิ่งกระทำยังไงครับห้าหกอุดแน่นทีเดียวสิ่ดันเลยดีๆอุดอุดกับอัดอันเดียวกันนะ่ะบ้านหลวงเขาเรียก ว, ว่าอับ หลวพอมาเพิ่งเข้าใจว่าอุดนี่บอกว่าคนบ้านฟักอุดโออุดกับอัดนี่เป็นเดียวกันแล้วก็จําได้เพราะว่าคนในกรุงเทพอาจจะว่าอุดนะ่ะบ้านหลวงพอเรียก ว, ว่าอุดบวเข้าใจคือคนบวกเคยประสบการณ์มาอันมาอัดจะเข้าใจรถอัดเป็นวันยัดเข้าแน่นๆนี่นะอุดสหา่ารูเจ้าไว้รูเดียวจะอุดแน่นๆนะคุณนะจะทํายังไงอาจารย์อุดห่ารูนะ่ะนั่งขออยู่ปากรูก็ได้ไม่จับคอนก็ได้ พอดีเฮี้ยมันออกมาหายใจข้างนอกอกั น, น, นออกไปดันห้ารู้ําดันโบได้เพราะมันอุดไปดีแล้วมันเลยจะออกมาหูรูที่ไม่ได้อุดนี่เลยออกมากระจัลดข่อหลดหรือ้อนตีข้างอันกระตายอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับไม่ต้องพูดาตาหูจมูกลิน้นกายเอาใจทีเดียวก็ได้อ้อใจที่นี่ทา่านก็พอแล้วเ น, นการพูดนั้นมากที่สุดแต่ไม่รู้จัก่การปฏิบัติธรรมปฏิบัติจุดตดิไม่รู้จัก อาตามาพูดกันสันส้นๆแม้เถือนหโมตระคนก็ไม่เคยรู้ตัวอาตามาเองก็ไม่รู้รู้รู้ยังไงรู้อย่างไม่รู้ไม่ได้รู้อย่างผู้รู้อาตามาว่าอาตามาเองไม่ได้ว่าคนอื่นอาตามาบวชเป็นเด็มาเป็นเด็กๆมาก็เคยเข้าวัดเพราะบ้านอยู่ใกล้วันนดนโมตระนี่เราต้องเรียนอาตามาได้ถึงเมื่อเป็นี้เด็กพอไปเล่นน้ํากับเพื่อนไปโตน้ํากับเพื่อนก็ต้อง เราหนมตัสสะบานบอกว้ากับจมนหนมตัสสะว้าวคือกันจมคือกันมันก็เลยเข้าหูก็เลยได้เลยพอเรามีไม้ต้นหนึ่งหงอยเรีนน้ำเลยสิเด็กน้อยรุ่นให้ว่ารุ่นนั่นก็ต้องไปพร้อมนันรุ่นนั่ก็ต้องไปพร้อมรุ่นนั no ่นไปโตนที <S 1> 1. <S <All> ่นั้นเน่ะ okay. ขึ <Liber> ้นไปแล้วก็ไปหงอยฮันก็จมหโมตัสสะก็เลยตูมลงหนมตัสสะเพระเว่าโตเขตูมลงลดโตนน้ำลงเงี้ยไปคนน่าขึ้นไปกบไปว่านหโมตัสสะก็ตูมลงกันน่ะ แต่บัดสุต่ว่ากิ้งซันนางกระสาหมิวสันนโมตตสาพระคาวาโต้กิ้งซันนางกระสาหมิโต้ลงแต่ไม่รู้จักมาบวชเป็นเลงกระวาไดนามุตสาแม้กระทั่งเป็นน <laughs> ุ่มเป็นเจ้าหัวนุ่มกระบุกขาไดนามุตสาโบลุจักนามุตสาถ้าพูดจะมีอ้าหลวงตาในว่าผิดหลักเล้เก็เยี่ยวันนโมุตสาพระคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานันผูดได้เกณบุรุษโกมั ก็มามาเป็นเนินเนี่ยอาจารย์สอนให้นโมตัสสาะพระคัมภโตนี่นนนเป็นว่าขอนมน้อมนโมตัสสาะพระโตอรหะโตแปลว่าโชคดีอรหะโตสมาสิมุตระารู้เองว่าแต่ไม่รู้จักแต่ใดอาจารย์สอนสอนว่าย่างไนก็มา